ปีดกภาษาไทยฉบับมหาจุลาลงกรราชวิเทียาลายัยเล่มที่13พระสุตันตปีดกมัชิมะนิกายมัชิมะปันนาพระสุตันตปีดกมัชิมะนิกาย มชิมะปันนาตขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นหนึ่งข้าปฏิวักหมวดว่าด้วยข้าบดีหนึ่งกันทรกกสูตรว่าด้วยปริภาชกชื่อกันทรกษข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ใกล้สะโบกกรณีชื่อคักคราเขตกรุงจำปาพร้อมกับพิษุสงฆ์หมูใหญ่ครั้งนั้นแหลบุตรของควานช้างชื่อเปสะและปริภาชคชื่อกันธรกะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับนายเปสะบุตรของควานช้างถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งหน้าที่สมควร ส่วนกันธรกะปริภาชกได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันได้ยืนอยู่ณที่สมควรแล้วเหลียวดูภิกษุสงฆ์ผู้นั่งนิ่งเงียบอยู่ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญหน้าอัศจรรย์จิงไม่เคยปรากฏเพียงเท่านี้ท่านพระโคโดมก็ชื่อว่าแนะนาให้ภิกษุสงฆ์ปฏิบัติชอบแล้ว ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญแม้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสามัมพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตการก็ทรงแนะนําให้ภิกษุสงฆ์ปฏิบัติชอบเป็นอย่างยิ่งได้ถึงเพียงนี้เหมือนท่านพระโคดมทรงแนะนําให้ภิกษุสงฆ์ปฏิบัติชอบอยู่ในบัดนี้ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญแม้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสามัมพุทธเจ้าทั้งหลายในอนาคตการก็จะทรงแนะนําให้ภิกษุสงฆ์ ปฏิบัติชอบเป็นอย่างยิ่งได้ถึงเพียงนี้เหมือนท่านพระโคโดมทรงแนะนำให้ภิกษุสงฆ์ปฏิบัติชอบอยู่ในบัดนี้มนุษย์มีปากกับใจไม่ตรงกันพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ข้อนี้เป็นอย่างนั้นกันทรกะข้อนี้เป็นอย่างนั้นกันทรกะแม้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตการก็ทรงแนะนําให้ภิกษุสงฆ์ปฏิบัติชอบเป็นอย่างยิ่งได้ถึงเพียงนี้เหมือนเราแนะนําให้ภิกษุสงฆ์ปฏิบัติชอบอยู่ในบัดนี้แม้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายในอนาคตการ ก็จะทรงแนะนําให้ภิกษุสงฆ์ปฏิบัติชอบเป็นอย่างยิ่งได้ถึงเพียงนี้เหมือนเราแนะนําให้ภิกษุสงฆ์ปฏิบัติชอบอยู่ในบัดนี้จริงอยู่กันธรกะในภิกษุสงฆ์นี้มีภิกษุจํานวนมากผู้เป็นอรหันตขีนาศพอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทํากิจที่ควรทําเสร็จแล้วปรงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภวะสังโยชน์แล้ว หลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบอนหนึ่งในภิกษุสงฆ์นี้ยังมีภิกษุอีกจำนวนมากผู้ยังเป็นเศคะบุคคลมีปกติสงบมีความเป็นอยู่สงบมีปัญญามีความเป็นอยู่ด้วยปัญญาเธอเหล่านั้นมีจิตตั้งมั่นดีในสติปฐานสี่ประการอยู่สติปทานสี่ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่ง พิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกําจัดอภิชาความเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นและโทมนัสความทุกข์ใจในโลกได้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกําจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ 2.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 กำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วในเปสะบุตรของควานช้างได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหน้าอัศ จ, จ, จริงไม่เคยปรากฏสติปัฏฐานสี่ประการนี้พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้ดีแล้วเพื่อความหมดจดของสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงโศกะความเศร้าโศก และบริเทวะความคร่ำครวนเพื่อดับทุกความทุกกายและโทมนัสความทุกใจเพื่อบรรลุยายธรรมเพื่อทำให้แจ้งพระนิพพานก้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่จริงแม้ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นครหัสนุ่งห่มผ้าขาวก็มีจิตตั้งมั่นดีในสติปัฏฐานสี่ประการนี้อยู่ได้ตามการที่สมควรขอประธานวโรกา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 กำจัดอภิชาและโทมนต์ในโลกได้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนต์ในโลกได้ข่าแต่พระองค์ผู้เจริญหน้าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏเพียงเท่านี้พระผู้มีพระภาคก็ชื่อว่าทรงทราบประโยชน์และสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์ของสัตว์ทั้งหลายในเมื่อคนโรคโลก คนเดินคนคนเจ้าเล่ยังมีอยู่อย่างนี้เป็นความจริงที่คนสอนยากสัตว์เลี้ยงฝึกง่ายเพราะข้าพระองค์สามารถให้ช้างที่ฝึกแล้วทำตามได้เช่นให้เดินไปเดินมาในระหว่างกรุงจำปาก็ได้ให้ทำอาการต่างๆคือยกชูขาหน้าทั้งสองกลิ้งคู้เขา่าย่อตัวได้ทุกอย่างแต่เราชนคือทาตก็ดีคนรับใช้ก็ดี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 สัตว์เลี้ยงฝึกง่ายบุคคลสประเภทพระผู้มีพระภาคตรัสว่าข้อนี้เป็นอย่างนั้นเปรษะข้อนี้เป็นอย่างนั้นเปรษะคนสอนยากสัตว์เลี้ยงฝึกง่าย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 สวยสุขอยู่ในปัจจุบันเปสะบรรดาบุคคลสี่ประเภทนี้ท่านชอบใจบุคคลประเภทไหนเล่าในเปสะบุตรของควานช้างกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่ชอบใจบุคคลผู้ทําตนให้เดือดร้อนมันประกอบในการทําตนให้เดือดร้อนข้าพระองค์ไม่ชอบใจบุคคลผู้ทําผู้อื่นให้เดือดร้อน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 เพราะบุคคลผู้ไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนนั้นเป็นผู้ไม่หิวดับร้อนเย็นใจมีตนอันประเสริฐสวยสุขอยู่ในปัจจุบันพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเปสะเพราะเหตุไรเล่าท่านจึงไม่ชอบใจบุคคลสามประเภทนี้นายเปสะบุตรของควานช้างกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลผู้ทาตนให้เดือดร้อน มันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนชื่อว่าทำตนซึ่งรักสุขเกลียดทุกข์ให้เดือดร้อนให้ร้อนรุ่มเพราะเหตุนี้ข้าพระองค์จึงไม่ชอบใจบุคคลนี้บุคคลผู้ทาผู้อื่นให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนชื่อว่าทำผู้อื่นซึ่งรักสุขเกลียดทุกข์ให้เดือดร้อนให้ร้อนรุ่มเพราะเหตุนี้ข้าพระองค์จึงไม่ชอบใจบุคคลนี้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 มีหน้าที่ที่จะต้องทำอีกมากพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเปสะเธอจงกําหนดเวลาที่สมควรณนะบัดนี้เถิดจากนั้นในเปสสะบุตรของควานช้างชื่นชมยินดีพระภาสิทธิของพระผู้มีพระภาคแล้วลุกจากที่นั่งถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกระทาประทักษิณแล้วจากไป ครั้งนั้นเมื่อนายเปศะบุตรของควานช้างจากไปไม่นานพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายนายเปศะบุตรของควานช้างเป็นคนเฉลียวฉลาดมีปัญญามากถ้านายเปศะบุตรของควานช้างจะพึงนั่งสักครู่เพียงชั่วเวลาที่เราจำแนกบุคคลสีประเภทนี้โดยพิดารก็จะได้รับประโยชน์อันใหญ่หลวง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 กินกากข้าวเป็นอาหารกินสาหร่ายเป็นอาหารกินราเป็นอาหารกินข้าวตังเป็นอาหารกินกำยานเป็นอาหารกินหญ้าเป็นอาหารกินมูลโคเป็นอาหารกินเงาและผลไม้ป่าเป็นอาหารบริโภคผลไม้หล่นยางชีพเขานุ่งห่มผ้าปานนุ่งห่มผ้ากแกมกันนุ่งห่มผ้าหอ่อศพนุ่งห่มผ้าบังสุขุน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 คือถือการเดินกระย่งเหยียบพื้นไม่เต็มเท้านอนบนน้ำคือถือการนอนบนน้ำอาบน้ำวันละสามครั้งคือถือการลงอาบน้ำถือการย่างและการอบกายหลายรูปแบบอยู่ด้วยประการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายบุคคลนี้เรียกว่าเป็นผู้ทำตนให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อน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 มันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นพระราชามหากษัตย์ผู้ได้รับมูรธาพิเศษแล้วก็ดีเป็นพรามณนณ่มหาศาลก็ดีพระราชานั้นโปรดให้สร้างโรงบูชายันหลังใหม่ทางด้านที่ตะวันออกแห่งพระนครปรงพระเกษาและพระมะสุทรงนุ่งห่มหนังเสือมีเล็บทรงทาพระวรกายด้วยเนยใสยและน้ามัน ทรงเกาพระปริสดางด้วยเขามารึกเข้าไปยังโรงบูชายันหลังใหม่พร้อมด้วยพระมเหสีและพราหมุโรหิตบรรทมบนพื้นหญ้าเขียวขจีมิได้ลาดด้วยเครื่องปูลาดดำรงพระชนอยู่ด้วยน้นํานมเต้าที่หนึ่งแห่งโคแม่ลูกอ่อนที่มีอยู่ตัวเดียวพระมเหสีดารงพระชนอยู่ด้วยน้นํานมเต้าที่สองพราหมุโรหิตดารงชีวิตอยู่ด้วยน้านมเต้าที่สาม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 ละเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์วางทันทาวุธและสั ต, สตราวุธมีความละอายมีความเอนดูมุ่งหวังประโยชน์เกื้อกูลต่อสรพสัตย์อยู่ 2. ละเว้นขาดจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้รับเอาแต่ของที่เขาให้มุ่งหวังแต่ของที่เขาให้ไม่เป็นขโมยเป็นคนสะอาดอยู่สามละ พฤติกรมอันเป็นค่าศึกต่อพรหมจันทร์ประพฤติพรหมจันทร์เว้นห่างไกลจากเมถุนธรรมอันเป็นกิจของชาวบ้าน 4. ีละเว้นขาจากการพูดเท็จคือผู้แต่คําสัตย์ดํารงความสัตย์มีถ้อยคําเป็นหลักเชื่อถือได้ไม่หลอกลวงชาวโลก 5. ้ละเว้นขาจากการพูดโสเสยดคือ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 จับใจเป็นคําของชาวเมืองคนส่วนมากรักใคร่พอใจเจ็ดละเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อคือพูดถูกเวลาพูดคำจริงพูดอิงประโยชน์พูดอิงธรรมพูดอิงวินัยพูดคําที่มีหลักฐานมีที่แอ้งอิงมีที่กาหนดประกอบด้วยประโยชน์เหมาะแก่เวลา 8. เว้นขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม 9. ช้ชันมือเดียวไม่ชันตอนกลางคืนเว้นขาจากการชันในเวลาวิการ 10. เว้นขาจากการฟ้อนรำขับร้องประคมดนตรีและดูการละเล่นที่เป็นค่าศึกแก่ขุสล 11. เว้นขาจากการทัดทรงประดับตกแต่งร่างกายด้วยพวงดอกไม้ของหอมและเครื่องประทินผิวอันเป็นลักษณะแห่งการแต่งตัว 12. เว้นขาจากที่นอนสูงใหญ่ 13. เว้นขาจากการรับทองและเงิน 14. เว้นขาจากการรับธัญญาหารดิบ15เว้นขาจากการรับเนื้อดิบ 16. เว้นขาจากการรับสตรีและกุมารี 17. เว้นขาจากการรับทาตหญิงและธาตชาย 18. เว้นขาจากการรับแพะและแกะ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 จะไปณที่ใดใดก็ไปได้ทันทีนกบินไปณที่ใดใดก็มีแต่ปีกเป็นภาระแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นผู้สันโดดด้วยจีวรพอคุ้มร่างกายและบินตบาดพออิ่มท้องจะไปณที่ใดใดก็ไปได้ทันทีภิกษุนั้นประกอบด้วยอริยศีลขันนี้แล้วย่อมสวยสุขอันปราศจากโทษในภายใน สำรวมอินรีพิกษุนนั้นเห็นรูปทางตาแล้วไม่รวปถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมจากขุนสีซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอกุศลธรรมคืออภิชาและโทมนั์ครอบงำได้จึงรักษาจากขุนสีถึงความสำรวมในจากขุนสีฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องผลทพะทางกาย รู้ธรรมอารมณ์ทางใจแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมมนินทรียีซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอาคุศลธรรมคืออภิชาและโทมนัสครอบงาได้จึงรักษามนินทรียีถึงความสำรวมในมนินทรียีภิกษุผู้ประกอบด้วยความสำรวมอริยะอินทรียสังวร น, นี้ย่อมสวยสุขอันไม่ระคักับกิเลสในภายใน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 ะนิวร์ภิกษุนั้นประกอบด้วยอริยสีลขันอริยะอินสียสังวรและอริยะสติสัมปัญญะนี้แล้วพักอยู่ณเสนาสนะเงียบสงัดคือป่าโคลนไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งลอมฟางเธอกลับจากปินทบาตภายหลังฉันปัตาหารเสร็จแล้วนั่งคูบันลังตั้งกายตรง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 ให้บริสุทธิ์จากวิจิกิจชาชาญ4ภิกษุนั้นละนิวร5ประการนี้ที่เป็นเครื่องเศร้ามองแห่งจิตเป็นเครื่องทอนกำลังปัญญาแล้วสังัดจจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว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 วจีทุจริตและมนุทุจริตกล่าวร้ายพระอริยะมีความเห็นผิดและชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นผิดพวกเขาหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกแต่มูสัตว์ที่ประกอบกายสุจริตวจีสุจริตและมนสุจริตไม่กล่าวร้ายพระอริยะมีความเห็นชอบและชักชวนผู้อื่นให้ทากรรมตามความเห็นชอบ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 เมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่วันไหวอย่างนี้ภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพื่ออาสวยายาัคยญาณรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคาม่นีปฏิปทานี้อาสวะนี้อาสวะสมุทัยนี้อาสวะนิโรธนี้อาสวะนิโรธคาม่นีปฏิปทาเมื่อเธอรู้เห็นอยู่อย่างนี้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 การทรกะสูตรที่1จบ